สวัสดครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อใหญ่คือชีวิตเปเรียสุตอนที่สิบห้านะครับและหัวข้อย่อยของเราในเช้าวันนี้ก็คือ John the Baptist ตอนที่ห้าครับพระเจ้าของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่หนึ่งข้อยี่สบหกถึงข้อยี่สิบเจดนะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้ายอห์นบทที่หนึ่งข้อยี่สิบหกข้อยี่สิบเจ็ดเราให้เจ้าหลายรับบัพติสมาด้วยน้ํา แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราทรงมีอิทธิฤทธิยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติสมาด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์และด้วยฝอยดังกับพข้มผีข้อนี้หลายท่านเมื่ออ่านแล้วนะครับก็ จ, จะมีข้อสงสัยหลายประการด้วยกันในเช้าวันนี้ เราจะมาดูรายละเอียดถึงการบัพติสมาด้วยน้ำบัพติสมาด้วยผู้วิญญาณบริสุทธิ์และบัพติสมาด้วยไฟครับหลายๆครั้งนะครับมีผู้เข้าใจผิดเมื่อยอนกล่าวว่าบัพติศมาด้วยน้ำหมายถึงการจุ่มตัวเองลงไปมิดน้ำที่จริงแล้วการบัพติศมาด้วยน้ำนั้นก็คือการที่ยอนนั้นใช้น้ำเป็นเครื่องมือในการบัพติศมานั่นเอง น้ำนั้นเป็นเหมือนกับเป็นมีเดียมมีเดียมก็คือเป็นตัวกลางครับที่ใช้ในการประกอบพิธีนี้ให้กับคนที่กลับใจใหม่นะครับภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า water baptism ก็คือบัพติศมานะครับในน้ำหรือบัพติศมาด้วยน้ำหรือบัพติศมาโดยน้ำไปอย่างนี้ก็ได้นะครับ เป็นวิธีการที่ย อ, อ้นนั้นใช้น้ําในการบัพติศมาถ้าพี่น้องกลับไปถอยกลับไปนะครับในในพิธีกรรมต่างๆของศาสนายิวนะฮะหรือหลายๆศาสนาก็มักจะใช้น้ําครับเป็นสื่อเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งบางอย่างเช่นเดียวกันครับย อ, อ้นนั้นใช้น้ําเป็นตัวกลางหรือเป็นสื่อในการแสดงออกว่า คนที่รับบัพมาด้วยน้ำเขากำลังประกาศตัวเองว่าต่อไปนี้เขากลับใจใหม่จากความผิดความบาปเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์หลุดออกจากการผูกมัดของความผิดความบาปทั้งหลายกลับใจหันหลังกลับไปหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับนี่คือความหมายควาว่าบัพตศมาด้วยน้ำแปลสั้นๆว่าเป็นการประกาศตัวนะครับ เป็นการประกาศตัวต่อหน้าสาธารณชนต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าต่อผู้ที่ประกอบพิธีว่าเขานั้นมีความตั้งใจและขอประกาศปฏิญาณตัวว่าเขาจะออกจากความผิดบาปเขาสำนึกผิดและเขากลับใจใหม่แล้วและหันทิศทางของเขาเข้าหาพระเจ้าเราจะมาดูคำต่อไปนะครับว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ น, นั้นหมายถึงอะไร มัทธิวกล่าวว่าพระเยซูจะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณครับและด้วยไฟนะฮะแต่เราจะมาดูเรื่องพระวิญญาณก่อนนะครับคำว่าพระวิญญาณนั้นแปลว่าอะไรหมายความว่าพระเยซูนั้นจะให้การบัพติศมาผู้ที่เชื่อด้วยพระวิญญาณบ่อยสุดครับหมายความว่าพระเยซูจะนำชีวิตของคนที่เชื่อนั้น เข้าไปผูกพันอยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งก็คือการที่พระเยซูจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของผู้เชื่อนําให้พวกเขานั้นผู้เชื่อนั้นดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้านั่นแหละครับคือการบับติตมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความให้เห็นภาพนะครับก็คือเอาตัวของเรานั้นไปติดแน่นนะครับ ไปจุ่มตัวอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองมีความหมายอย่างนี้ครับเพราะว่าเป็นการนําชีวิตของเราเข้าไปผูกพันอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าในเราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็อยู่ในเรานั่นเป็นการผูกพันความสัมพันธ์การติดสนิทแนบแน่นกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนี่เป็นสัญลักษณ์นะครับ เหมือนกันครับว่าเราเป็นของพระวิญญาณแล้วและพระวิญญาณก็เป็นของเรานี่คือการประกาศตัวในทางด้านจิตวิญญาณครับพี่น้องครับอีกประการหนึ่งก็คือบัพติศมาด้วยไฟหลังจากที่พระเยซูได้สิ้นพระชนและเป็นเึ้นมาจาความตายแล้วการที่เราบัพติศมาด้วยพระวิญญาณนั้นก็คือการที่พระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเรา ให้เราเป็นอันหนึ่งอเดียวกันกับพระวิญญาณให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าขณะที่พระเยซูกําลังเสด็จขึ้นสวรรค์โปรงตจัดว่าแต่ท่านหลายจะรับพันธุ์ริดเด็ดริดเด็ดเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาเหนือท่านแต่ท่านหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั่วแคว้นยูเดียแคว้นจามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องครับพระเยซูจะนําไฟแห่งการพิพากษาเข้ามาในชีวิตของผู้เชื่อด้วยเราต้องไม่ งงนะครับว่าไฟแห่งการพิพากษาเข้ามาเนี่ยโอ้โหแสดงว่าเราต้องเดือดร้อนแล้วละ่ะไม่ใช่ครับอย่าเพิ่งมองสิ่งนี้ในแง่ลบนะครับขอให้คิดถึงลักษณะนะครับคุณลักษณะคุณสมบัติของไฟครับประการแรกครับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของไฟก็คือแสงสว่างไฟนั้นให้แสงสว่างทําให้เราเห็นทางพระเยซูต้องการเป็นแสงสว่างในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนครับซึ่งแสงสว่างนี้ ทำให้เราเห็นทางที่ถูกต้องทั้งให้เราเห็นมักมันคาแห่งคุณธรรมและนํามาซึ่งความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยถ้าหากว่าเราเดินในทางนี้ด้วยแสงนี้เพราะฉะนั้นไฟนะครับในฐานะที่เป็นบัพติสมาด้วยไฟก็คือให้ชีวิตของเรานั้นผูกพันอยู่กับแสงสว่างนี้ให้ชีวิตของเรานั้นได้รับคุณประโยชน์จาก แสงสว่างนี้จากไฟนี้พี่น้องลองจินตนาการนะครับในป่านะครับไม่ป่าทึบเลยกลางคืนนะครับแสงไฟที่ก่อขึ้นเนี่ยทําให้สัตว์ป่าถอยห่างไปใช่ไหมครับและแสงสว่างเช่นเดียวกันมันจะฉายเข้าไปในความมืดทึบในยามค่าคืนทําให้เราไม่ต้องกลัวเกรงทําให้เราปลอดภัยใช่ไหมครับนี่คือแสงสว่างในชีวิตของผู้ที่เชื่อทุกคนประการที่สองครับไฟครับให้อะไรบ้างไฟนี้นํามาซึ่งความอบอุ่นครับ พระเยซูบัพติสมาเราด้วยไฟมีความหมายว่าพระเยซูได้จุดไฟในดวงใจของเราทําให้เรารักผู้อื่นและมั่นใจว่าเราสามารถทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไฟในดวงใจของเราก็ส่องตัวตนของเราครับเมื่อเราบัพติสมาด้วยไฟทําให้เรารู้จักตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นพระวิญญาณทําให้เรารู้จัก เซล l c o n t r o l บังคับตัวตนของเราได้ด้วยพี่น้องครับการที่ไฟให้ความอบอุ่นเราต้องยอมครับให้พระเยซูบัพติสมาเราด้วยไฟครับประการที่สามครับไฟนั้นใช้ถะลุงโลหะให้บริสุทธิ์และทำให้โลหะนั้นแข็งแกร่ ง, งมากยิง่งขึ้นอีกพระคริสต์ทรงขจัดสิ่งต่างที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ออกจากชีวิตของเรา เป็นไฟที่ทำให้ขี้แร่ลอยขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันครับของที่ไม่บริสุทธิ์ในชีวิตของเราก็จะลอยขึ้นมาเช่นเดียวกันเมื่อชีวิตของเรานั้นได้ถูกบัพติศมาด้วยไฟถูกถลุงด้วยไฟนะครับพระเยซูจะทรงขจัดความบาปบนทินต่างๆนิสัยที่ไม่ดีต่างๆความคิดที่ไม่ดีต่างๆท่าทีที่ไม่ดีต่างๆออกจากชีวิตของเราอั น, นั้น เป็นผลที่เกิดขึ้นจากไฟก็คือทําให้เราเข้มแข็งยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นและเป็นคนที่ใช้การได้มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านนะครับในการที่เราจะได้รับบัพติศมาด้วยน้าด้วยพระวิญ ญ, ญาณและด้วยไฟครับขอพระเจ้าอวยพรและเมตตาพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน